หนังจักจักวงวงมาเยอะเห็นลูซีนั่งสมาธิอะไรที่ว่านั่นปฏิบัติธรรมแต่พระพุทธเจ้านี่ไม่เคยพูดเลยว่าต้องนั่งหลับตาร่พระพุทธเจ้าจะพูดถึงอิริยาบถใหญ่ใช่ยืนเดินนั่งนอนไม่เคยพูดเลยว่านั่งเฉยเฉยนั่งนิ่งนิ่งนั่งหลับตานี่ไม่เคยพูดแบบนั้นพูดอิริยาบถใหญ่ยืนเดินนั่งนอนนี่เราก็รู้อยู่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 พอเรารู้จักความจรงิงแห่งความเป็นปกติหรือสภาพความจรงิงสภาพที่มีอยู่แล้ ว, <construction> ท, ลวที่มันไม่เคยเกิดมันไม่เคยดับมันมีอยู่แล้วมีอยู่ตั้งแต่เราไม่รู้ว่ามันมีตั้งแต่เมื่อไรพอเราเรู้ <c oughs> เห็นสภาพนี้แล้วเนี่ย <Science> เราจะได้สมาธิที่เรียกว่าสัมมาสมาธิเราจะได้สมาธิที่เรียกว่าสมาธิที่มันตื่นรู้เราจะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเพราะฉะนั้นในขณะที่เรารู้ตื่นเบิกบานนี้เราก็เห็น สภาพทุกอย่างในโลกนี้มันเป็นไตร ล, ลักษณ์มันเป็นอิทัิปัจจยาตามันเป็นปฏิจจสมุ ป, ปบาทเราจะเข้าใจทุกอย่างเลยในโลกนี้แต่ถ้าเราไม่มีสภาพของความเป็นปกติอนนี่อยู่เลยไม่มีสภาพของสัมมาสมาธินี่อยู่เลยต่อให้เราเข้าใจไตรลักษณ์ต่อให้เราเข้าใจอิทัิปัจญตาต่อให้เราเข้าใจสิ่งเกิดดับทั้งหลายมันก็เข้าใจในบนความคิด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 เวนเวรใช่ไหมยืดยาวหนังสือทำรรมาทั้งหลายอ่านก็เข้าใจหมดอ่ะไม่ยึดมั่นถือมัน่นไม่มีตัวกูของกูโลกมันว่างอะไรแต่พอเราโดนด่าล้วก็โกรธเป็นฟืนเป็นไฟเหมือนเดิผมเคยแปลกใจเหมือนกันว่าทําไมเป็นแบบนั้นเราอ่านเข้าใจแต่ทําไมเราทําไม่ได้เพราะในความเปจริงมันไม่ใช่เรื่องของการทำมันเป็นเรื่องของเราขาดความเข้าใจอีกสิ่งหนึ่งก็คือสภาพสภาวะที่มันไรราคะไรโทรสะไรโมหะ สภาพสภาวะที่มันปกติอยู่เราขาดเราไม่ได้เรียนรู้ความจริงอันนี้อันหนึ่งแต่พอเราเรียนรู้ความจริงอันนี้อีกอันหนึง่งปุ๊บความรู้ความจริงทั้งหมดก็เริ่มครบก็เริ่มประกอบกันมันก็เริ่มเปลี่ยนแปลงมันก็เริ่มเป็นสติที่เป็นสัมมาสติจริงๆมันก็เริ่มเป็นสมาธิที่เป็นสัมมาสมาธิจริงๆและนั่นแหละทุกอย่างก็เกิดเกิดเองสภาพของจิตที่